กล่าวต่อจากครั้งที่แล้วนในพระพุทธคุณบอกว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะวิชาเนี่ยนะแปล ว, ว่าความรู้แจ้งที่ขจัดความมืดคืออวิชาอาวิชาที่ปกปิดอดีตปกปิดอนาคตปกปิดทั้งอดีตอนาคตปกปิดปฏิจจสมุปบาทปกปิดอริยสัจพระพุทธเจ้ามีวิชาคือมีปัญญา รู้แจ้งแทงตลอดนะนี่ชําระความมืดทําความสว่างให้เกิดขึ้นส่วนจารณะเนี่ยนะจารณะคือความประพฤติหรือข้อปฏิบัติแต่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานเรียกว่าจารณะพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะโดยเฉพาะจารณะเนี่ยนะจารณะที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรัสรู้พระนิพพานเป็นข้อปฏิบัติที่ยั่งลงสู่พระนิพพานเนี่ยนะ ข้อปฏิบัติหรือจารณะอันนั้นก็คือศีลอินทรีสังวรโภชิเนมตันยุตาชาคริยานุโยคพระองค์มีศรัทธามีฮิริโอตปะมีวิริยะมีสุตะมีสติมีปัญญาแล้วก็มีปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจตุทฌานสรุปว่ารวมทั้งรูปฌานทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองอรูปฌานด้วยนี่นะ พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิยจารณะ ท, ที่เป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติซึ่งเป็นความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางอาชีพแล้วก็บริสุทธิ์ทางอาศยาอัธยาศัยบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยเพราะพระองค์เป็นผู้มีอัธยาศัยมีศรัทธามีอัธยาศัยที่มีฮิริโอตตะมีอัธยาศัยฝ่เป็นพหูสูตรใฝ่ที่จะเรียนรู้ พระองค์นั้นมีอัธยาศัยที่มีวิริยะภาคเพียรอุตสาหะเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาศัยในการเจริญสติเจริญปัญญาความที่พระองค์มีอัธยาศัยเหล่านี้เนี่ยนะทำให้พระองค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ด้วยกายบริสุทธิ์ด้วยวาจาเรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยศีลเนี่ยนะบริสุทธิ์ทางอินทรีย์สังวรเป็นต้นเมื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติจนได้ตรัสรู้พระเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงดํารงอยู่ใน ภาวะของผู้บริสุทธิ์สูงสุดเนี่ยนะก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่มีผู้ใดตามติเตียนว่านี้เป็นความผิดทางกายของพระพุทธเจ้านี้เป็นความผิดทางวาจาของพระพุทธเจ้านี้เป็นความผิดทางอาชีพของพระพุทธเจ้านี้เป็นความไม่ดีทางอัธยาศัยพระพุทธเจ้าไม่มีไม่มีผู้ใดตามตาหนิตามก่นตามด่าตามว่าตามว่าร้ายเป็นต้น และขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ต้องการให้ผู้ใดมาปกป้องคุ้มครองพระองค์เองว่าพระองค์นี้เคยไปแอบทำผิดทำพลาดที่ใดที่หนึ่งมาเป็นต้นจึงไม่มีเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ใช่เพิ่งมีแต่เฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะดังที่กล่าวแล้วว่าแม้แต่พระองค์บาเพ็ญบารมีจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วย จารณะเนี่ยนะบารมีทั้งหลายจารณะเนี่ยนะถ้าหากว่ากล่าวถึงเหตุในอดีต ท, ที่เป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าบารมีเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วดํารงอยู่ในภาวะของผู้ประพฤติดีเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าสาวกทั้งหลายจะใช้คําว่าโส ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วอุชุ ป, ปฏิปันโน ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิต ป, ปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแล้วแต่ของพระพุทธเจ้าใช้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจรณนะเพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรสังวรพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโพชริมะตันยุตาพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาคริยานุโยกเป็นผู้ที่มีศรัทธาอย่างบริบูรณ์ เป็นผู้มีหิริโอตา ป, ปะอย่างบริบูรณ์เป็นเป็นูสูตรโดยปริยัตอ่ขออภัยเป็นหูสูตรโดยการพิจารณาคือพระองค์มีปัญญาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายพิจารณาพระนิพพานโดยลำพังพระองค์เองพระองค์เป็นหูสูตรโดยปฏิบัติเป็นหูสูตรโดยปฏิเวทเป็นหูสูตรโดยการแทงตลอดนั้นพระองค์นีเป็นผู้ที่ อรอบรู้อย่างนี้พระองค์จึงเป็นผู้ที่ภาคเพียนก็คือแกล้วกล้านะวิรยะคือความแกล้วกล้าความไม่ขั้นครามความไม่หวั่นไหวนะเรียกว่าวีระการงานของคนกล้าพราะองค์ไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนไม่เลื่อนลอยไม่ฟั่นเฟือนเรียกว่าพราะองค์มีสติเนี่ยนะไม่มีคําว่าเผลอและขณะเดียวกันพระองค์ก็มีปัญญารอบรู้เหตุเกิดของวัตตะ เนี่ยแค่ว่ารอบรู้ทั้งวัตตะและวิวั ต, ตะเนี่ยนะสุดท้ายพระองค์ก็มีจิตใจที่ดำรงมัน่นพันจารณะทั้งหลายเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายบริสุทธิ์ทางวาจาบริสุทธิ์ทางใจเนี่ยนะเป็นกายวาจาใจที่บริสุทธิ์และอลังการเนี่ยนะแค่ว่าเป็นความบริสุทธินะรร์ที่ได้รับการตกแต่งนะกายกรรมเหล่าใดที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดี พระองค์ก็ตกแต่งดีแล้วเนี่ยนะกายกรรมเหล่าใดควรแก่การตกแต่งพระองค์ก็ตกแต่งวจีกรรมเหล่าใดที่ควรตกแต่งพระองค์ก็ตกแต่งได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์และก็มั่นคงยั่งยืนด้วยคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ครั้งก่อนเราได้พูดถึงว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเ น, นี่ยนะศีลคืออะไรเว้นจากปานาติบาศเนี่ยนะเว้นจากปานาติบาศละปานาติบาตดังที่ได้ยกข้อความในพรหมชารสูตรเนี่ยนะ ที่ณิกายศีลขันตวัคที่บอกว่าพระสมณโคดมละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางธันดะท่อนไม้วางสาตราเนีน่ยนะนี่เรียกว่าวารีศีลของพระองค์จารีตของพระองค์ที่ประพฤติก็คือมีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เรือกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่พระสมณโคดมละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ อันนี้เป็นวารีตที่โปร่งเว้นจารีตพระองค์ก็รับเอาแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นคนสะอาดเนี่ยนะนะสะอาดอยู่พระสมณโคโดมละก ร, รมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจันทร์อันนี้ก็คือจะวารีตที่โปร่งเว้นประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติห่างไกลเว้นจากเนทุนเป็นเรื่องของชาวบ้านอันนี้เป็นศีลทางกายของพระองค์เนี่ยนะนะ ส่วนศีลทางวาจาของพระองค์ก็คือพระสมณโคโดมละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอันนี้เป็นวารีดวารีที่พระองค์เวน้นจารีตของพระองค์ก็คือพูดแต่คำจริงดำรงคำศัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อเป็นคำพูดที่ไม่ลวงโลกไม่ดำรงอยู่ในฐานะภาวะของผู้หลอกลวงพระสมณโคโดมละคาสอเสียดเว้นขาดจากคาสอเสียด คือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นให้คนหมู่นี้แตกกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่กลับมาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกกันอันนี้ละเว้นพฤติกรรมประเภทนี้เด็ดขาดสมานคนที่แตกกันนะนะสมานคนที่แตกแยกกันอันนี้คือจารีตที่รองประพฤติ ส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันชอบคนที่พร้อมเพียงกันยินดีในคนที่พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในคนที่พร้อมเพียงกันกล่าวแต่คําที่ทําให้คนพร้อมเพียงกันอันนายจูลโคสิงคขสารสูตรนั้นอนนนน่ะพระองค์ได้กล่าวถึงอนิสงส์ของการสามัคคีความพร้อมเพียงกันแล้วก็อีกหลายสูตรด้วยการที่พระองค์สรรเสริญยกย่องถึงความสมัครสมาสามาัคคีและปลองดองในนะตําหนิ ติเตียนเรื่องการแตกแยกความสามัคคีโดยยกตัวอย่างนิยต่างๆนะมาประกอบต่อไปพระสมณโคดมละคําหยาบเนี่ย น, นะเว้นขาดจากคําหยาบอันนี้ก็เป็นวารีตที่พระองเว้นได้อย่างเด็ดขาดจารีตที่พระองคร์รมที่พระองค์พูดก็คือพูดแต่คําที่ไม่มีโทษพูดแต่คําที่เพราะหูชวนให้รักเป็นคําที่จับใจ เป็นคำที่ใช้ในหมู่ชาวเมืองคนโดยมากรักใคร่ฟังแล้วก็ชอบใจเนี่ยนะแต่ไม่ได้พูดเอาใจพูดประจบประแจงเอาใจรักษเหลียไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายเขาว่าถ้อยคำนั้นอ่ะเป็นถ้อยคำที่เพรา ะ, ะคนโดยมากฟังแล้วก็พอใจยินดีที่จะฟังคาแบบนั้นแม้แต่คนพูดเองถ้าผู้อื่นจะมาพูดเช่นนี้กับตนก็ปรารถนาจะฟังถ้อยคาเช่นนั้น พระสมณโคดมละคำเพ อ, เอร์เจอเวน้นขาดจากคำเพอเจออันนี้เป็นวารีดที่พระองค์ละงดเว้นออกไปพระองค์จารีตพูดถูกกาละเนี่ยนะพูดถูกกาเวลาพูดคำจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรมะพูดอิงสังวรวินยัยปะหานวินยัยเป็นคำพูดที่มีหลักฐานมีที่อ้างเป็นคาพูดที่มีกาหนดประกอบด้วยประโยชน์ทั้งประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือว่าประโยชน์ลี้ลับเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ใช้ถ้อยคําที่ประกอบด้วยประโยชน์ประโยชน์ที่เขาควรได้รับคือศีลนะประโยชน์คืออะไรอัทธเวทธรรมเวทความรู้อัจความรู้ธรรมประโยชน์ที่เขาได้รับก็คืออะไรประโยชน์ปัจจุบันการครองชีพที่ผาสุขประโยชน์สูงนะประโยชน์โลกหน้าคือเป็นคําผู้ที่เปิดประตูสวรรค์และที่สําคัญเป็นคําผู้ที่ประกาศศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธิ์กังขาวิตรณะวิสุทธิที่เป็นไปเพื่อปานเปิดประตูอมะตะนิพพานและพระองค์ก็ตรัสโดยการละอันสมควรอันนี้เป็นศีลทางกายศีลทางวาจาส่วนรายละเอียดทั่วๆไปเนี่ยนะรายละเอียดทั่วๆไปในชีวิตของพระองค์ก็คือพระองค์เว้นขาดจากการพรากพีพชคามและภูดคำก็แปลว่าพระองค์ไม่ตัดต้นไม้ใบหญ้าพระองค์นี่ก็ฉันอาหารหนเดียว เว้นจากการฉันอาหารในเวลาราตรีงดเว้นจากการฉันในอาหารในเวลาวิกาลคือพระองค์จะฉันเฉพาะในการตอนเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นเนี่ยนะบางทีแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระองค์ฉันครั้งเดียวนะบางครั้งก็ฉันหลายครั้งนะฉันช่วงเชา้าแล้วก็ฉันช่วงสายเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็แนะนําให้พระภิสุปฏิบัติเช่นนั้นบ้างสําหรับผู้ที่นั่งอาสนะเดียวไม่ไหวเนี่ยนะพระองค์ก็ให้ฉันช่วงเชา้าบ้างช่วงสายบ้าง ของพระองค์เองก็มีฉันช่วงเช้าบ้างช่วงสายบ้างก็มีเนี่ยนะพระสมณโคดมเว้นขาดจากการฟ้อนรําขับร้องการประโคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อศีลเป็นต้นเนี่ยนะอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์พระสมณโคดมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวซึ่งเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว ก็คือพระองค์ไม่มีการประดับประดาตกแต่งร่างกายพระสมณโคดมเว้นขาดจากที่นั่งที่นอนที่สูงและที่นั่งที่นอนใหญ่เนี่ยนะที่นั่งที่นอนสูงถึ่งผิดศีลน่ะนะที่ในศีลในอุจจาระยนะมหาสยนาเวรมณีที่สมมาทานอุโบสถศีลข้อนี้เนี่ยนะเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระโคดมผู้เจริญท่านคงไม่ลำบากในที่นั่งสูงที่นอนใหญ่สินะ คงไม่เดือดร้อนเน่ยนะเพราะตามรูปประพันธ์สันธารสิระรูปร่างหน้าตาแม้งดงามขนาดนี้ที่อยู่ของท่านจะต้องงดงาม น, นะที่อยู่ที่นั่งที่นอนคงจะดีนะชั้นดีพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็ประทับนั่งอยู่โคนไม้เป็นต้นนั่นแลแต่พระองค์ไม่เดือดร้อนในอาสนะที่พระองค์ไม่เดือดร้อนในเรื่องอาสนะพรมพระองค์ไม่เดือดร้อนในอาสนะของพระรีเจ้าเพราะพระองค์อยู่ด้วยอาสนะ พรอมก็คือพระองค์อยู่ด้วยพรอมนิหารพระองค์ประทับนั่งประทับยืนเดินณที่ใดๆพระองค์ก็อยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาพระองค์ประทับนั่งณที่ใดพระองค์ก็นั่งอาสนะทิพย์เข้าปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุทฌานรูปฌานและอรูปฌานเป็นตน้นพระองค์ประทับนั่งที่ใดก็ประทับนั่งอาสนะของพระอริยเจ้าคือประทับนั่งเข้าอารหัตผลสมาบัติเนี่ยนะมันพระองค์จึงไม่ ไม่เดือดร้อนในเรื่องอาสนะทิพอาสนะพรมอาสนะของพระอริยะแต่ถ้าเป็นอาสนะทางร่างกายปรนเปอรอทางร่างกายพระองค์ละในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อผิดศีลเนี่ยนะพระสมณโคดมเว้นขาดจากการรับเงินและทองเนี่ยนะท่านพระองค์จึงไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยนะก็คือสิ่งเหล่านั้นก็ที่เขาทำเป็นพุทธบูชาก็บูชาไปแต่ว่าพระองค์ไม่ได้รับมาเป็นลักษณะเป็น สมบัติของพระองค์เองนเนี่ยนะพระองค์จึงไม่มีแก้ว แ, วแหวนเงินทองพระสมณโคโดมเวน้นขาจากการรับธั ญ, ญชาติดิบเป็นต้นข้าว้าเปลือกไม่รับข้าวเปลือกถั่วสดเป็นต้นเนี่ยไม่รับแน่นอนคําว่าถั่วสดก็คือเมล็ดถั่วเขียวที่ยังไม่ได้ต้มเป็นตนน้นเนี่ยนะถั่วสดหรือว่าพวกข้าวเปลือกข้าวกลมข้าวเปลือกทั้งหลายที่มันทั ญ, ญชาติเนี่ยนะข้าวเปลือกพวกตะกูลถั่วที่ยังไม่สุกปรองไม่รับ